พระธรรมเทศนาแผนที่109าลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองกันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าสะสมบุญไว้ก่อนใกล้จุดจบอา้าวเสร็จแล้วยังโลกลานต่เสร็จแล้วก็อยู่ในความสงบ มีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังผู้ที่จองกระถินวัดป่าบ้านตาดนะคูบาจรพระสมเกียรติวงเร็บพร้อมกับพระญาติรวมแล้วเป็นสิบอรวมแล้วสิบกองกองละสามพันเป็นเงินสามหมื่น ทั้งฝ่ายพี่น้องทั้งเวียงจันทร์ด้วยตัวเป็นภาษาลาวนะตรงพ่ออ่านไม่ออกตัวภาษาลาวอันนี้ก็รวมกันแล้วคนละหมื่นห้านะทั้งพี่น้องฝั่งลาวทั้งพี่น้องฝั่งไทยสองวงศาคณะญาติรวมกันแล้วเป็นสามหมื่นสามหมก็เท่ากับ10กองกองละสามพันอนเดียบุญหลายนะลูกหลานนะกระถินหลวงตา สร้างพระเจดีย์ตงตาหรงพ่อเอาเข้าเจดีย์หรงตาทั้งหมดและก็พร้อมกันพ่อฟิวพร้อมครอบครัวอีกอันนี้ก็สามพันหนึ่งกองอีกเหมือนกันแล้วก็จองกรินวัดปราบานตาเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตาโดยนายถาวรหลอดหลอดแพงและกณญาตอันนี้ก็1งกองอีก3าพัน แต่ในสร้างกุติหลวงพ่ออินถวายอันนีกอันนี้อีกนายทวารอยู่เหมือนกันเพราะเขาลูกหลานอีกจํา น, นวน 2,200 ันสองร้นนีนะอันนี้สร้างกุตินะอันนี้สร้างคตินอันในบนในหลายนะั้นลูกหลานน้นทุกครูทุกคนหลวงพ่อจะได้นําจตุปัจจัยที่ลูกหลานได้มาสมทบนะี เมื่อมันเป็นก้อนแล้วก็คงจะโอนโอนเข้าไปแต่ลุกพ่อก็ได้เช็คทางบัญชีทางธนาคารที่เงินเกี่ยวกับกองกถินนะเมื่อวานลพ่อทราบมาประมาณได้ห้าล้านนะลูกล้านนะแต่ก็เดินช้าอยู่ต่อไปนี่คงจะเดินเร็วละเพราะมันใกล้แลนะ้วเนี่ยประมาณเดือนเดือนกว่านิดหน่อยเองกวันที่7นะวันที่เจ็ดตุลา อันนี้กัวันที่สองแล้วนะวันที่สองอกันยาและ ว, วันที่สองกันยาวันนี้แล้วก็วันที่เจตุลาเป็นวันทอดกรถิ่นที่วัดป่าบ้านตาดกรถินสามคกีนะยังเดือนกว่ า, วานิดหน่อยอเพราะนั้นพวกเราผู้ที่จะรวบรวมโดาเฉพาะโอนเข้าบัญชีก็เอาอเตรียมพร้อมแล้วนะคราวในีใกล้เข้ามาแล้ว หลวงพ่อเองก็คิดว่าคงจะไม่นานคงจะโอนอีกยอดที่สามนะพอสองยอดโอนไปแล้วจะโอนยอดที่สามจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวหลวงพ่อจะประกาศให้พวกเราคณะัทหายาจยมได้รับรูบร้รับทราบร่วมกันปัจจุจตุปัจจัยที่ผ่านหลวงพ่อมานะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สอง กันยายมพุทธศักราช 2,560 นะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์คณะสธา ญ, ญาติโยมลูกหลานก็มาตักบาตรพอสมควรรู้สึกว่าฟ้าฝนก็มันตกเดินทางไปสุขไปปาหาสู่ก็ลำบากในช่วงนี้แต่ที่ยังไงก็ตามรนะขอให้พี่น้องลูกหลานทุกคนนะประกอบคุณงามความดีสร้างปูนสร้างคุศล ว้าวตกแดดออกจะเป็นยังไงชีวิตของพวกเราก็เดินหน้ารุดหน้าไปเรื่อยๆไม่มีคําว่าถอยหลังอย่างชีวิตของหลวงพ่อเป็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้วันนี้เท่าไหร่แล้วก็นับไปหน้าเรื่อยอแก่ขึ้นไปหน้าเรื่อยอแล้วก็ใกล้เดินเข้าไป แดนพยามัจจุราชเข้าไปเรื่อยๆอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกให้พวกเรากลัวนะให้พวกเราท้อแท้อ่อนแอท้อใจไม่ใช่เพียงต่ว่าเตือนการประกอบคุณงามความดีอย่างอื่นการสะแสวงหาทรัพย์อย่างอื่นเราก็สะแสวงหาแต่ว่าการสะแสวงหาทำเข้าสู่จิตใจอันนี้กับพวกเราก็อยายอยู่ในความประมาท หาทั้งสองทางหาทั้งบุญหาทั้งทรัพย์บุญกนเนยอย่างพวกเรามาวันนี้นมาส่อแสวงบุญนะวันนี้ลูกหลานคณะสนะทตยาญาติโยมมาทําบุญตักบาตรถวายทานอันนี้ไปว่ามาส่อแสวงหาบุญเข้าสู่จิตใจเราสแสวงหาทรัพย์คนนู้ น, นทำมาค้าขาย ในกิจการงานต่างๆทํามาทำราชการงานเมืองทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นคือการแสวงหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพเข้ามาเขานี่คือแสวงหาธรรมหาคุณงามความดีหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจการแสวงหาทรัพย์ก็มีมากหลากหลายเหมือนกันไม่รู้กี่อย่างหาทรัพย์ภายนอกนะ พิธีเกษตรกรรมวิธีอะไรต่อมิอะไรมากมายกรจัดการกัไม่รู้กี่แผนกจะนับไม่ถ้วนอันนั้นคือวิธีการหาทรัพย์ภายนอกแต่ว่าวิธีการหาทรัพย์เข้าผู่สู่ภายในก็มีหลายเหมือนกันนะไม่ใช่จะทําทานอย่างเดียวนะลูกหลานนะไหว้พระสวดมนต์เดินยโยกรมนั่งภาวนาทําบุญทําทานไม่มากหลากหลายอีกเหมือนกัน ป, ปฏิบัติพ่อแม่ เขารบไวยวุคุณวุฒินั่งสมาธิภาวนาบริกรรมล้วนแล้วจะเป็นหาสมบัติเข้าสู่จิตใจทั้งนั้นถ้าเรารู้จักวิธีการวิธีกรรมนะเหมือนกับเรารู้จักวิธีการหาทรัพย์สมบัติภายนอกถ้าเรารู้จักวิธีการาหาสมบัติภายนอกก็มีมากมายเว้นเสียแต่เราโง่เงาเตาตุนอั่นตู้ไม่รู้จะหายัางไง ก็เลยหมดวิธีที่จะเดินแต่ตามผู้หญิงถ้าผู้มีปัญญาแล้วมีมากที่จะหาที่จะโสะแสวงหาทรัพย์ภายนอกที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนี้ก็เหมือนกันผู้ที่จะโสะแสงหาธรรมหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าผู้มีสติผู้มีปัญญาได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็มีปัญญาอีกเราก็พร้อมที่จะหา บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเรามีมากมายหลายๆวิธีกรรมวิธีการเพราะนั้นถึงจะพวกเราจะเฉลียวฉลาดว่าเราจะเฉลียวฉลาดหาเงินคำรับสมบัติเป็นมากมายมหาศาลหาเงินแต่ขาดตกบกพร่อง หาคุณงามข้อมดุเข้าสู่จิตใจอันนั้นแปลว่าขาดเหมือนกันนะขาดถูกปกพ้องอย่างมากท่านหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตลอดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านให้หาทำเข้าสู่จิตใจในเลิอดประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกอันนี้คือหลักธรรมคาสอนแต่ทีนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ย เราก็มาได้ว่าให้หาแต่ซัพภายในแต่หลวงพ่อเป็นผู้แนะนำํำซัพภายในเพราะว่าผู้แนะนํำซับภายนอกผู้แนะนําบอกกล่าววิธีกรรมวิธีการหาซัพภายนอกนั้นมีมากอยู่แล้วเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่แนะนําวิธีหาซัพบภายนอกแต่หลวงพ่อแนะนําแต่ผู้ที่จะหาซัพภายในเข้าสู่จิตใจเนี่ย แตาจะว่าไปน้อยกว่านะน้อยกว่าผู้ที่แนะนำกันบอกกล่าวกันสอนกันให้สอดสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ค้นคว้าศึกษาหาทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวแต่ขาดการสะแสวงหาทรัพย์ภายในอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องไม่น่าจะสมบูรณ์เพราะว่า ที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังถึงพวกเราจะมีเงินมากมายมหาศาลลอยล้านผ่นานล้านเออเอามาปนปือ้อร่างกายของเราซื้ออาหารอย่างดีมาเลี้ยงแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าอย่างดีมาใส่ซื้อซื้อยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่ไหนที่ดีที่สุด เอามาฉันเอามาทานม า, มาบำรุงร่างกายและก็สร้างบ้านหรูหราโออาให้ร่างกายอยู่มีความสุขถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายนี่ยังเป็นอื่นอยู่เสมอหถวงพ่อเคยพูดไม่ลูกกี่ครั้งนะแล้วก็เมื่อไม่นานมันได้หลวงพ่อเขาไปเห็นโยมคนหนึ่งอายุร้อยปีตนๆพอไปเห็นเขา นอนเวลานอนนอนโคตรคู่นะคนแก่นะเออนอนเอาเขาเอาเขามาจดคางเลยแล้วก็มือก็อมาเอามือออกมาใส่ที่หน้าอกอีกต่างหาก เ, าเหมือนกับเด็กที่อยู่ในท้องแม่ลักษณะอย่างงั้นนะอืเห็นนะโอ้แปลว่าลืมตาก็ไม่ลืมเนะเอยนั่นแหละถ้าอายุยืนขึ้นขนาดนั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไร ถ้าต่อไปภายภาคหน้าพวกเราไม่ตายง่ายนะมันก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะหลวงพ่อเห็นเรื่องอะไรหลวงพ่อจะน้อมมหาตัวเองนะจทายาดโยมลูกหลานนะพ่อจะเห็นใครก็ตามได้เห็นลักษณะอย่างนั้นแต่น้อมมาเออท่าท่าท่าหลวงพ่ออินไม่ตายง่ายนีย่มันคงจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละเนี่ยเออมองมองดูตนเองเ อ, อ่อแล้วแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะ ถ้ามีอายุยืนไปแล้วเนี่ยช่วยตนเองไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะแล้วจะมีประโยชน์อะไรมีจะเป็นเป็นภาระให้กับลูกหลานพูกที่เกี่ยวข้องและจะทำยังไงตายก็ไม่ตายช่วยตนเองก็ไม่ไดออ้ถ้าจะว่าไปแล้วกันนะวิบากกรรมอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นเราปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าอายุยืนนะ ย, ยาวนานนะ ถ้าอายุยาวนานนะช่วยตนเองไม่ได้หลวงพ่อว่าตายดีกว่าในความคิดหลวงพ่อนะอันนี้อย่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าคิดอย่างหลวงพ่อนะอันนี้หลวงพ่อคิดสําหรับตนเองเฉยๆนะถ้าว่าช่วยตนเองไม่ได้นะจะทํายังไงนอนคดคูอยู่ทั้งวีทั้งวันจะให้เขาจะให้ลืมตาก็ไม่ลืมต่างหานี่แหละถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็ถึงจะมีชีวิตอยู่ยาวนาน ก็ไม่เกิดประโยชน์นี่แหละการส่อแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงชีพนะมาเลี้ยงร่างกายนะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันถึงจุดจบเพียงแค่นั้นแต่ตอนนี้มาทางด้านจิตใจเลมันไม่จบนะทีใหนหลักของพระพุทธศาสนาให้เราึพวกเราศึกษาทีนี้ให้ศึกษาทางด้านจิตใจเรื่องนามธรรมตัวนี้นะความรู้สึกนึกคิดตัวนี้นะอ่า ตัวนี้แหะคือตัวที่ไม่ตายตัวที่จะทําไปเกิดในปรโลกภายภาคหน้าอีกนี่แหละอาหารเข้าสู่จิตใจคือจุดนี้แหละจุดที่ตัวนามธรรมเนี่ยตัวที่ผู้รู้เนี่ยตัวนี้แหะในหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องตัวรูร้เนี่ยตัวที่จะนําที่จะพาไปเกิดในภ พ, บพบภูมิต่างๆถ้าอะรใครทํากรรมดีกรรมชั่วกรรมนี่แหละ ตัวผูร้รู้เนี่ยจะเป็นผู้รับทั้งหมดแต่ส่วนร่างกายเนี่ยเป็นวิบากท่านเองแต่ตัวนี้เป็นผู้รับเต็มๆถ้าทําดีทําชั่ว เ, เพราะว่าก่อนที่จะทำํำในใจของเราคิดจะก่อนใช่ไหมละ่ะใจของเราคิดจะก่อนพอคิดเสร็จแล้วก็ปล่อยวายจาด่าออกไปแนะนําของเขาให้ทํากรรมชั่วต่างๆ เ, เมื่อทํากรรมชั่วเข้ามาแล้ว มันก็เข้ามาสู่จิตใจเพราะใจเป็นคนสั่งให้ให้พูดใจเป็นคนสั่งให้ทำในเมื่อทำออกไปพูดออกไปกรรมที่ทำวาจาที่พูดมันสะท้อนย้อนกลับมาหาคนที่สั่งค น, คนที่สั่งการคือใจใจสั่งให้วาจาเป็นคนพูดสั่งให้ร่างกายทำไปแต่ทำไม่ในทางที่ไม่ถูกต้อง นั่นแหะบาปอากุศลก็เข้ามาสู่จิตใจถ้าว่ดใจดวงนี้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจะสั่งวาจาให้พูดออกไปก็พูดในเรื่องศีลเรื่องธรรมแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้รู้จักบาปปุลคุณโทษและประโยชน์และและไม่ใช่ประโยชน์เวลากระทาออกไปกระสงเคราะห์ออนุเคราะห์มีเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์ชาติมีธรรมคุณงามความดีตัวเองก็งดเว้น เป็นขวัติญาติวงเขาไม่คิดค่าคนอื่นเขาไม่ข้ามยคนอื่นเขารบสิทธิสามีภรรยาคนอื่นไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นไม่ดื่มโซราให้ขาดสติอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็คือใจต้องสั่งสั่งกายสั่งวาจาให้ทำในสิ่งที่ผิดด้วยสิ่งถูกที่ว่าท่าทำในสิ่งที่ถูกห่าเป็นกุศลกรรม เป็นกุศลกรรมถ้าหาว่ารำไปในทางที่เลวที่ชั่วเนี่ยวะอกุศลกรรมเนี่ยมันเป็นสองทางนะกรรมคือการกระทําตัวนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะตั้งอยู่ในความประมาทคณนะสัทยที่อาจรวมลูกหลานเลี้ยงชีวิตเลี้ยง ถึงจะหาเงินคำทรัพย์สมบัติถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนเลี้ยงร่างกายก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้เล่าได้กล่าวให้พวกเราฟังนะนะั่นนะผลในสุดกนะ็นอนคดคู่ลืมอยู่ตามภาษาของคนแก่นะนะั่นผลในสุดก็ถึงจุดจบไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้พอถึงจุดจบแล้วนะมันไม่ใช่จบแต่เพียงแค่นั้นนะน ดวงวิญญาณคือใจดวงนั้นน่ะจะต้องออกจากร่างนี้ไปไปเกิดอีกไปปฏิสนที่ไปหาเกิดพบภูมิต่างๆอีกนี่แหละจุดที่ไปออกออกจากร่างนี้ไปนะจุดนั้นนะ่ะในในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะท่านให้ความสําคัญจุดนั้นมากกว่าที่ใจของเราจะออกจากร่างนะี้จะไปที่ไหนนะ ถ้าจิตใจของเราบริสุทิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเข้าสู่นิพพานแล้วก็จบถ้าว่าไม่ถึงขนาดนั้นคือมาเออถ้าไปพรมหรือไปสวรรค์หรือเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาขึ้นไปแล้วก็อันนั้นก็แปลว่ามาตรฐานแปลว่าไม่ตกต่ําแต่ถ้าต่ํากว่านั้นลงมาถ้าเป็นปุถุชนยังไม่ถึงพระโ ส, ะโสดาบันจุดนั้นหน่าวิตกนะไม่รู้จะตกไปทางไหน ขึ้นขึ้นลงๆสูงสูงต่ำตํำๆขนาดขึ้นไปเป็นพรมแล้วยังลงมาเกิดเป็นหมูได้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้บอกได้กล่าวไวขนาดขึ้นเป็นพรมยังลงมาเกิดเป็นหมูที่พวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในพระธรรมมัพปัตตะฐานพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่กรุงราชคือเช้า ว, วันหนึ่งพระองค์เสด็จออกไปบินทบาท พระอานนท์เดินตามหลังการว่าเดินเป็นปัจฉาสมณะไอ้คาว่าเป็นเพื่อนหรือ ว, ว่าเดินตามหลังพระพุทธเจ้าเนี่พอไปเห็นหมูตดึงมันกําลังคุยเคายหาอาหารอยู่ข้างท่าข้างทางข้างถนนเป็นหมูตัวเมียนะพระพุทธองค์เห็นแล้วก็ยิ้มพอยิ้มพระานนท์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ยิ้มด้วยเหตุอันใด ห, หนอพระเจ้าค่ะคือพระองค์ถ้าหากว่าไม่ ถ้า ม, มีไม่มีเหตุพระองค์จะไม่ยิ้มพอยิ้มขึ้นมาแปล ว, ว่าวีเหตุมีเหตุทุกครั้งพระนนท์จึงกราบทูลถามวาพระองค์ยิ้มด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าข้าพระองค์บอกว่าเห็นไม่อามนมะหมูตัวนี้นะ่ะมันหากินอยู่นี่นะ่ะลงมาจากพรหม น, นั่นเองโอ้ทาไมเป็นอย่างนั้นหนอพระเจ้าข้านะคือตะกอนหน้านี้ชีวิตเขาละหกละเหินมากนะ พ, รพระองค์บอกว่า ชีวิตของเขาเนี่ยละหกละเหินสมัยก่อนเขาเป็นเขาเป็นไก่ป่าเป็นไก่ป่าอยู่ในป่าแล้วก็เห็นพระสงฆ์อยู่ในป่าสาธยายมนต์สาธยายพระปฏิโมกข์บั่งสาธยายธรรมจักบั่งสาธยายชติปฐานสี่บั่งมหาสมัยบั่งบางทีพระท่านสวด ต, ตามลำพังไก่แม่ ตัวนี้ก็พาลูกหากินกัฟังเสียงพเพลินกับเสียงเสียงพระสวดมนต์สาธยาย พ, พระธรรมเพราะฉะนั้นลืมลืมลืมระวังตัวเ น, นียเดียวก็เลยบินโฉบลงมาเลยจับคอเลยไก่ตัวนั้นก็เลยตายพอตายเสร็จแล้วไก่ตัวนี้ก่อน พราะอานิสงส์ที่ฟังพระธรร ม, มเทศนาและฟังพระธรรมจิตใจของเขาเป็นกุศลเพียงเท่านั้นก็เป็นกุศลนะศรัทธาญาติโยมนะเพราะนั่นให้พวกเราไปฟังพระสวดพระปริตะมงคลให้ตั้งใจฟังเพียงเท่ยนั้นก็เป็นกุศลจากนั้นก็ตายปุ๊บก็ไปสู่สวรรค์นะพอลงมาจากสวรรค์ลงพอหดจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เรามาเกิดเป็นลูกยาวเท่านี้ เพอมาเกินเป็นลูกเจ้าเจ้าแผ่นดินจากนั้นสมัยนั้นห้องส้วมห้องฐานห้องฐานห้องส้วมคงจะไม่ไม่ใช่ห้องส้วมซึมอย่างทุกวันนี่เป็นคงคงจะเป็นห้องส้วมปล่อยทําขึ้นบนบรรันไดสูงสูงขึ้นไปแล้วก็ถายอุจจาระ ล, ะลงไปเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นเหม็นในลมพัดผ่านจากนั้นก็ นางสาวนี่ก็ขึ้นไปถ่ายพอถ่ายลงไปในหัวส้วมลงไปไปเห็นนอนน่ตัวหนอนมันกินอุจจาระเยยวเยะไปหมด เ, เนีเ่นางก็เลยเห็นจุดนั้นโอ้โหอุจจาระมันอยู่ร่างในร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งถ้ามันออกไปแล้วมันเป็นโอ้โหมันสกรปรกหน้าเกลียดมากๆากเลยนางก็เลยเห็นอสุภะปฏิกูลในตัวเองเห็นร่างกายในยเป็นของอสุภะปฏิกูล ไปนั่งในร่างกายไปหมดเเหมือนกับจิตใจเนี่ยนั่งเหมือนกับจิตใจเป็นสมาธิลักษณะอย่างนั้นจิตใจเข้าสู่ฌานลักษณะอย่างนั้นจิตใจนั่งไม่แต่งานพอจากนั้นมานางก็ได้ตายไยนะตายขึ้นไปสู่พรมนะเพราะอเนกสง์ในการเข้าฌานและนั่งสมาธิที่เห็นอุจารสุภปฏิกูลนะจิตใจมันนั่งมันจิตใจมันสงบจิตใจไม่ออกไปข้างนอกนะ จากนั้นก็ขึ้นไปสู่พรมเพอจิตใจเป็นสมาธิเป็นฌ า, านญาณทัตนาะพอโจกมาจากลงมาจากพรมเท่านั้นพอว่านางไม่รู้ทํากรรมอัไหนไว้ในอดีตตัวนี้กรมรมบาปกรรมในอดีตมันก็วิ่งสวมปุ๊บมาพอมันหมดบุญจนนั้นแล้วนะพอหมดบุญตอนนั้นนะบาปกรรมบราปกรรมอคุสนที่เคยทําไว้ตะก่อน มันก็วิ่งโปูดเข้ามามาของปุ๊บมาเกิดเป็นหมูนี่แหละพระพุทธองค์ท่านตรัสกล่าวกับพระอานุ์ว่านี่นะ่ยชีวิตของเรามันกระดกกระเดิดถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่อันนั้นคือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน อย่าได้เป็นอย่างนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพร พ, บ พ, บ พ, บพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราควรจะประกอบประกอบคุณงามความดีในสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นถ้าคิดทําพูดแล้วกอ็อาจจะเป็นอย่างหมูหรืออาจจะร้ายกว่าหมูออตัวนั้นก็ได้เพระาะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดู ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พูดได้กล่าวไว้นะอันนี้แก่พวกเราก็ฟังฟังฟังฟังเอาไว้นะจะลุบแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนายืนยันยืนยัดล้ตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกแน่นอนพูดไปที่ไหนๆก็เป็นหลักใหญ่เลยแหละเรื่องตายแล้วเกิดแลือตายแล้วสูนตายแล้วไม่สูนวิญญาณที้ออกจากร่าง ของเราเราก็ไปพร้อมที่จะไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามบาปบาปอกุศลให้ผลและบุญกุศลให้ผลไปแตกต่างกันดีกับชั่วให้ผลนะและต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งวันนี้นะต่อไปนีพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพอในตนนินีนะ